ซึ่งมักพิจารณาร่วมกับอสุภกรรมฐานมรณสติกรรมฐานซึ่งพระอริยเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะบรรลุพระอรหัตตผลได้จะต้องผ่านการพิจารณากรรมฐานทั้งสามกองนี้เสมอมิฉะนั้นแล้วจะเป็นพระอรหันในพระพุทธศาสนามิได้ทั้งนี้เพราะบรรดาสัพพกิเลธทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโลภโกรธและหลง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 แห่งเมืองราชครึกก็ได้บรรลุพระอระหันต์ในทํานองเดียวกันนี้เอง